มีอารมณ์ผันผวนไม่ได้เป็นเรื่องเข้าใจยากสําหรับคนอื่นเท่านั้นแม้เจ้าตัวก็ใช่จะเข้าใจตัวเองได้ง่ายา ย, ยุคเราเป็นยุคของการเสพอารมณ์แรงแต่ละอารมณ์ผ่านมาแล้วผ่านไปยังรวดเร็วนาทีนี้หัวเราะ อ, อีกนาทีอาจร้องไห้ได้ง่ายๆสรพัสสิ่งที่พังรูเข้ามากระทบ กระเทือนกระแทกแ ค, ค่อยๆสั่งสมความซับซ้อนทางจิตเพราะเรามีเพื่อนในโซเชียลหลายคนแต่ละคนส่งเนื้อหาแตกต่างกันสุดขั้วทุกวันเราอาจเจอประสบการณ์ประมาณว่ารู้สึกเหมือนเพิ่งลอยขึ้นฟ้าลงหัวตัวเบาจากเพื่อนคนหนึ่งแต่พอรูดลงมาเจอเพื่อนอีกคนก็ราวกับถูกถีบลงสู่หุบเหวในหัวยุ่งเหยิงหน้าอกแน่นทึบขึ้นมาปุ๊บปับ รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นมนุษย์อารมณ์ป่วนพันผวนง่ายแบบไม่สมเหตุสมผลไปเสียแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคไอทีมีส่วนช่วยให้เข้าใจช่วยให้เรียนรู้เรื่องการปรุงแต่งจิตได้เป็นอย่างดีอารมณ์พันผวนเข้าใจยากมีรากมาจากการยึดแรงและเวียงแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากขั่วอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกขั่วอารมณ์ตรงข้าม เมื่อเหวี่ยงข้ออารมณ์บ่อยๆในระยะยาวจะเกิดการปรุงแต่งจิตชนิดกลับไปกลับมาได้เองอยากจะพยากรอยากจะควบคุมความฟุง้งซ่านสัดใสเป็นพายุบุกแคมอากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าเข้าใครนาทีนี้คิดดีนาทีหน้าคิดร้ายได้เองโดยไม่จําเป็นต้องเจอเรื่องกระทบก็อย่าเอาแต่บ่นแค่ว่าไม่รู้ทําไมเป็นอย่างนี้ ขอให้สังเกตใจตัวเองว่าระหว่างรูดเฟซรูดไลรูดยูทูบคุณรูดเร็วเกินไปหรือเปล่าคุณเลือกเสพอารมณ์ที่ต่างกันสุดขั้วมากไปหรือเปล่าแต่และครั้งที่คุณหยุดอ่านหยุดดูหยุดฟังคุณเสียใจหรือได้ใจแบบไหนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดให้สำรวจว่าตัวเองอยู่ในขั้นสนุกหรือเสพติดกับความหลากหลายทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น หากคำตอบคือแค่สนุกผ่านๆอันนั้นก็แล้วไปแต่หากคำตอบเป็นว่าเสพติด จ, จริงจังเหมือนจะลงแดงถ้าวันไหนไม่ได้สวิงอารมณ์ก็ขอให้เร่งบอกตัวเองว่าคุณปล่อยให้ภัยมาถึงจิตโดยไม่รู้ตัวแล้วควรเลือกเนื้อหาที่พาจิตไปในทิศ ท, ทางดีๆที่กลมกลืนกันเสียบ้างอาจต้องค้าข้ามเพื่อนบางคนไปบ้าง อาต้องโฟกัสกับอารมณ์หนึ่งให้จบดีๆแทนการดูเดียวๆแล้วรูดทิ้งบ้างมิฉะนั้นอารมณ์ของคุณจะไม่ผันผว น, นน้อยลงเองแต่จะผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆเยดาทางยากขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับมีใครอีกคนค่อยๆเติบโตขึ้นในตัวคุณจนตัวคุณไปไหนก็ไม่รู้ดูอีกทีก็มีตัวผันผวนอะไรหลายตัวก็ามาควบคุมสมองและหัวใจไปทั้งหมดแล้ว